การฟังเป็นว่าฟังแล้วพิจารณาเป็นว่าไส้สติพิจารณาปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นวันอันนี้ฟังแล้วต้องทำทาแล้วให้ปัญญาเกิดขึ้นที่ปัญญาเกิดขึ้นจะเอาไปแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาคนอื่นนั้นมันไม่ยากถ้าแก้ปัญหาตัวเองได้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 ได้ให้ฐานแล้วได้รักษาศีลมาแล้วได้ทำสมถะกรรมฐานมาแล้วได้เจริญวิปัสนามาแล้วแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้การให้ฐานรักษาศีลทำสมถะกรรมฐานวิปัสนาภาวนา น, นั่นดีแล้วถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองมีการขัดแย้งอยู่ภายใ น, ในใจิตใจตัวเองกอดเสือว่าได้ประโยชน์น้อย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 ฟังทีแรกเขยังไม่เข้าใจความจริงแล้วผู้ที่ทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถ้าวรนนั่นแหละถือเป็นพระสงฆ์แท้เราเคยสวดกันแล้วว่าสุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโคแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระเมรุภาคเจ้านั้นอยู่างไรปฏิบัติดีแล้วคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นแหละเป็นพระสงฆ์อุทุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโค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 เนี่ที่ทางจตานี่ปุริสานุขานีอัฏฐปุริสาบุคลานี่คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แบุรุษเอสาพระวัโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระวิภาคเจ้าเนี่ยเราก็พูดกันได้แต่บางคนยังไม่เอามาคิดยังไม่ไดเอามาพิจารณาแต่พระสงฆ์ถ้าพูดมากก็ไม่พอใจอันควรไม่พอใจเนะพราะเรื่องอะไร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 เกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยเพราะเราไม่รู้ในขณนะที่จิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยปัจจุบันห้าร้อยก็เลยเป็นเรียกว่ากิเลสพันหา 108. ้าตัณหาหน้อยแปดเกิดขึ้นในอดีตบ้างเกิดขึ้นในอนาคตบ้างเกิดขึ้นกับปัจจุบันบ้างเพราะเราไม่รู้อดีตอนาคตกับปัจจุบันนี่เองพูดสั้นๆคือเราไม่รู้ปัจจุบันนั่นแหละยัง่าเกิดขึ้นอดีต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 จนถึงมีศีลมีธรรมเจ้ว่าตำนาท่านบอกว่ามีปฐมมาสารมีทุติยาสารมีตัดติยาสารมีจัตุทัสารมีปัญจมาสานท้นวันปฐมมาสานท่านว่ามีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกขตานั่นอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ทุติยาสานเนี่ยท่านมีองค์สี่มีวิจารมีปีติมีสุข